นี่จะเทศถึงเรื่องจิตของคนยอมเลลอนไปในสถานที่ต่างๆไม่อยู่ปกติเรียกง่ายๆเรียกว่าท่องเที่ยวไปในพบต่างๆคนเราเกิดขึ้นมาเป็นคนนิสัยดีที่สุด มันได้ยดเสมอด้วยมนุษย์ของเราเป็นไม่มีถ้าจะเป็นอะไรก็เป็นไปถึงมนุษย์ใแสนดีหรือดีเมื่อเกิดเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วท่านบอกว่ามันเที่ยวไปในภพต่างๆมันต้องเวียนไายวนเวียนอยู่ใน คบอันนี้ลเรียกว่าสังสารไรจักรกายไม่ได้ไปหรอกแต่ใจมันไปมันใจมันไปนั่นนะ่ะมันที่เป็นเหตุให้เกิดในภพ น, นันั้นถึเมื่อกายดับแล้วมันก็จะต้องเกิดในภพนันนั้นภพที่มนุษย์ของเราท่องเที่ยวอยู่มากที่สุด เนียกว่ากามาพบพบมามีอันเสวยกาบ ม, มาสุกเป็นเครื่องอยู่คือรูปเสียงกลิ่นรสโภชภาเล่านี้แหละเป็นเครื่องอยู่เมื่อรูปเห็นรูปล้วก็จำคัญว่าของสวยสดงดงามเป็นเหตุให้เจริญใจ เหเหในเพลิดเพลินเจริญใจได้ความสุขความสบายมันที่จริงรูปมันก็ไม่ใช่ว่ามันจะเป็นของดบของดีอะไรหรอกเกิดขึ้นมาต้องแตกต้องสลายดับพื้นไปเป็นธรรมดาแต่คนเราไปเสวยเอาอารมณ์คือรูปนั่นแหละมาเสวยความสุข พลูปรากฏของสเสวยความสุขลูกรดสวงดงามอย่างนั้นอย่างเนี้อะไรต่างตามความอินตนาของคนที่คิดว่าเป็นของสวยสดงดงามแท้ที่จริงมันก็อยู่ตามเรื่องของมันเสียงก็เหมือนกัน เสียงก็เป็นเ่ว่ะลมอันหนึง่งมากดขึ้นมาแล้วก็ดับไปแต่จินตนาของคนเราเข้าใจว่าเป็นของดีเนีของนาเพลิดเพินจเจริญใจด้่ชอบออกชอบใจในเสียงอันนั้นกลิ่นกมลอนกันกลิ่นแม้กลิ่นหอม กินสรรพัดทุกอย่างกินเหม็นก็ไม่ชอบกินหอมก็ชอบใจแต่ที่จริงนั้นกลิ่นก็อยู่ตามเรื่องของกลิ่นแต่คนเราไปสัมผัสเข า, าเข้าใจว่ากลิ่นดีกลิ่นชอบเอ้ยเฉไย้กกินกลิ่นคืออารมณ์นะเป็นอารมณ์นรสพทธพะ มารมทั้งหประการนี้ก็ชั้นเดียวกันไม่เรียกว่ากามคนเราเกิดอยู่ในกาลพบก็ต้องเสวยกามมารมกามภูมิกตลองเสวยกามมาลมคือว่าภูมิสภูมิห้าเรียกว่าภูมิห้าเป็นอยู่ใน สามภูมิเรียกว่าภูมิหักคือมนุษย์หนึ่งเปตจิตรกายสติไรมนุษย์สติระชาเปตอสุรกายเป็นสามขั้งสามอย่างมนุษย์ลงไปเป็นสามการมนุษย์ไปเกิดแต่มนุษย์ป เ, ปยเยสเวยอารมณ์อารมณ์ดีอารมณ์ชัวช่วกัำมนุษย์น่ะก็เสวย อารมณ์ชั่วก็เสวยทุกขเวทนาอารมณ์ดีก็เสวยสุขเวทนาในอารมณ์ทั้งหกนั้นอยู่ในกามภพนี่ทั้งนั้นมนุษย์นี่แหละเป็นคนไปเสวยส่วนสูงขึ้นไปกว่ามนุษย์ไม่ว่าเทพจะเป็นเทพแต่มนุษย์นี่แหละจะไปเป็นเทพไปเกิดเป็นเทพ เพราะอารมณ์มันดีเพราะอารมณ์สบายเบิกบานทังค่อยจะเกิดเป็นเทพมนุษย์เหล่านั้นมันปรุงมันแตง่งให้เกิดวิมานขึ้นมานเป็นวิมานเปรตวิมานอสุรกายและเป็นภูมิของสัติติชาัน คนเราไม่ชอบของเร็วสามแต่หากอดกลั้นไม่ได้โดยกิเลส ข, ของเราเรื่องกิเลส ข, ของคนเราบรรดาลให้ปรากฏขึ้นมาอย่างมนุษย์ดีดดธรรมดา น, นี่แหละทำมหาเลี้ยงขีพโดยสุจริต คิดในทางที่ชอบแต่ว่าอยู่ไปนานๆไปมันเลยกลายไปเป็นเปรตด้ควคิดชั่วเร็วสารคิดอยากได้โลกมากยิษา ร, ริษยาพยาบาทเบียดเบีย น, ยนสัตวตัวอื่นแห้คนอื่นอันนี้ใส่นั่นเลยกลายจากมนุษย์ไปเป็นเปรต เวลาตายก็ต้องมาเป็นเปรตจริงๆทันเมื่อพ้นจากเปรตมาเป็นมนุษย์ทุกุลญภาพเสียอ่อนเพี้ยเสียขายิ่งผลวิการในวิ ย, ยวะตต่างๆทํามาหาเลี้ยงชีพตนเองไม่ได้ต้องอาศัยคน อ, อื่นเรียกว่าคนปัญญาอ่อนปัญญาอ่อนนั่นเอง พึ่งตนเองไม่ได้นั้นเรียกอาสุรกายสุระาแปว่าสุระาแปว่ากายกายอ่อนตีอ่อนเพียกายไม่แก้ไม่กล้ามนุษย์เราทางนั้นแบบไปไปปรุงไปแต่งเอาให้เกิดในคตินั้ น, น, นการที่จะไปเกิดเป็นเปร ก็เพราะมนุษย์ดแต่งเอาแต่เมื่อในเมื่อเป็นมนุษย์อยู่ตายไก็ต้องไปเกิดเปรตคนกรรมที่เกิดเป็นเปรต น, น, น่ะพ้นจากนั้นนด้ก็ไปเป็นอสุรากายคนทั้งหลายที่เห็นโทษทุกเรื่องเหล่านั้นเปรตัวณีอสุรากายก็ดีสัตยรชานก็ดีเห็นว่าเขามีอิสระ เห็นว่าเขาเร็วสามคนทุกข์ทรมานคนอื่นใช้กรรมมีบาป ค, คนอื่นใช้เขาเบียดเบีย น, ยนอิศาริษย า, า, าไม่มีเสรีภาพในตัวของตนมีคนปกปักรักษามีคฎหมายบ้านเมืองคุ้มครองเห็นโทษทุกข์อย่างนั้นจึนคิดจะสร้างคุณงามความดี ทุกททั้งหลายก็เป็นของดีเหมือนกันเมื่อเห็นทุกข์ล้ยังค่อยอยากจะพ้นจากทุกข์จึงค่อยำทำดีทำดีขึ้นทำดีก่อนงดเว้นให้จากความชั่วคือฆ่าสัตว์รักทรพัพย์ประพฤติผิดในใช้จานานี้เองที่พระองค์นั้นเทศนาให้ละชั่วก็คือื่อ ให้ตั้งอยู่ในสินนั่นเองมีความเบิกบานในใจด้วยเหตุที่เราไม่ได้ทำความชั่วมองดูแง่ไหนก็มีแต่ความดีความบริสุทธิ์กายและใจในใจของเราพุทธองใสสะอาดบริสุทธิ์ก็เกิดลาเลงเเลิงใจ ยี้มออกยิ ม, มใจอยู่ในโลกอันนี้เมื่อละโลกนี้แล้วก็ไปเกิดในสุขติท่านยังว่าอิทัโมทติเจจะโมทติขตสโยทะไปในโซโมทติโซโปโมทติ เมื่ออยู่ในโลกนี้ลาเลิ่มบันเทิงลาโลกนี้ไปแล้วก็ลาเลิ่มบันเทิงทีมวิจใจทั้งสองโลกโลกนี้และโลกหนาเราเชื่อของเราได้แต่เมื่อเราเป็นมนุษย์นี่แหละมันนี่เรียกว่ากามาโลกโลกนั้มี กามโลก ร, ปปรลกูประโลกรูประโลกมีสามอย่างอันนี้อธิบายถึงเรื่อง ก, กามโลกรูปียังกินรสปวดตาเป็นเครื่องเสวยรู ป, ประโลกครับนี้คนที่เห็นโทษทุกในกามโลก จเจริญภาวนาทำสมาธิละอารมณ์ภายนอกเข้าไปสู่อารมณ์ภายในเพิดเพลินดีด้วยกับภายในอย่างละรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะภายนอกแล้วเข้าไปอยู่ภายในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะภายในยังมีอยู่ทีมอก อิ่มใจเพิดเวรเจริญใจด้วยเห็นรูปก็ดีได้ฟังเสียงกระซิบกระซาบก็ ด, กดีถูกฟกินลิ้นลดทั้งภายในใจโพดผ้าเกิดขึ้นในใจของของละเอียดชอบอกชอบใจขอขยังียบงันสองวันนนี้ละทิ้งมด ล้วก็ติดยินดีพอใจยงในเรื่องนัน้นนั่นัหละท่านเรียกว่าผมคือรูปประพมเอารูปมันเป็นอารมณ์อยู่กับรูปอันนั้นนหะรูปภายในแล้วนะรูปประพรคขานี่เห็นโทษทุกในการที่มีรูปอันนั้น เห็นเป็นกังวลเขียวของโผพผันสรพัิทุกอย่างไม่อยากพบไม่อยากเอาไม่เอาไม่ถือก็เลยเอาแต่ตัวจิตที่มันสงบเยือกเย็นจนความสงบสุขจนเกือบจะไม่ฟ่ากดเลยจนสุขน่าละเอียดลงไปถือว่าเป็นพระเิพาส อันนั้นเรียกว่าลูกบกพรลูกบกพมอารูปกพมในยากนักน้อยคนที่จะไปท่องเที่ยวโดยมากมักท่องเที่ยวจะในกาลคุณกามโลกเที่ยววนไปเรียนมานี่แหละไปไม่ถึงสักทีลูกบกพรลูกบกพม มนุษย์ชาโลกของเราเที่ยวอีกอย่างนี้มนุษย์ชาโลกของเราทุกข์หดแต่ให้เป็นโลกขึ้นมาด้วยใจของตนเองเราเป็นมนุษย์จริงเลยแต่เราไปแต่งเอาเป็นเปรตเป็นร่างกายเป็นสติรชานเป็นเปรตเป็นร่างกายดังอธิบายมานั้นและมนุษย์ของเรานี่แหละ จะกลุ้งไปแต่งใหเป็นผมรูปของผมมะลูกของผมจะน้อยนักน้อยหนานั้นเรียกว่าท่องเที่ยวในโลกครานี้ท่องเที่ยวในธรรมนะค่ะนี่มีธรรมเป็นเค่ออยู่การทำนี่ก็ไม่ใช่อื่นใลอะไรก็รคือ โลภนี่แหละพิจารณากามโลรเนี่ยะแต่ว่าให้มันเป็นธรรมมันเบื่อมันน่ายมันสลดสังเวชพิจารณาอยู่ตลอดเวลาเห็นโทษทุกข์อยู่ตลอดเวลาไม่ใช่เห็นจริงอื่ น, เ ห, นเห็นกายในกายเห็นการมโลคนี่แหละเป็นเครื่องอยู่อย่างนั้นเป็นนิพน เลยกลายเป็นธรร ม, มเหตนั้นอย่าว่าคนเราก็คือมาต้องมาเที่ยวอยู่ทั้งโลกทั้งธรรมแต่โดยสมารท์ททามไม่ค่อยเที่ยวเที่ยวแต่ในโลกอันนี้แหละท่องเที่ยวไปๆมาๆอยู่ไม่ดูแลรู้รน่าแต่สักทีเที่ยวไปจะมาของเก่าเรียกว่าธรรมของเก่า ไม่ใช่ไม่ใช่ของใหมเเ่เที่ยวไปเถอะเที่ยวไปเท่าไหร่ก็เที่ยวไปเถอะอยู่ในสามโลกนี้ทั้งนั้นไปไปมาก็กลับมของเก่านั่นแหละบนเวียนของเก่าเนี่ยท้ายนั่นขอมาเกิดของเก่าน่ยหายเป็ น, รรนสัตย์ที่รักสารเสตระสุทธายเรียนไปเรียนมากับทำให้เป็นมนุษย์อีกบุนกุศลวาสนาพระมิสมงให้เราเป็นมนุษย์อีก น, น, น, นักก่นแหะ ทำชั่วทำผู้จะดพุชิดเรื่องต่างๆตบตามเร็วตามไปคนที่จะได้มาเป็นมนุษย์ยากแสนยากเป็นกลับเป็นกันอ น, นันตชาติจะฟูนฟื้นผูนก็นนเป็นมนุษย์แล้วมนุษย์แล้วมันก็ทำชั่วลงไปอีกเห็นนั้นสัตว์ตัโลกที่ตามชาเร็วตามก็ขนลงไป มีมากแสนมากจะนะไม่ถ้วนมนุษย์ของเรายัางมากเท่าไรหลายประเทศหลายชาติก็ยังมีกําหนดนับถ้วนสัดนับไม่ถ้วนเลยคําว่าสาสตร์เทนีทั้งแต่ศาสตร์เทเดชานก็ยังมีมีน้อยนิดเดียวมันสัดอื่นเข้าไปกว่านั้นอีก เป็นโมดเป็นปลวกซัดอยู่ในน้ำในบกสารพัดทุกอย่างนับในส่วนเลยนันที่มันจะไปเกิดมนุษย์ของเราเมาืเกิดมนุษย์ในจังวัดบุญนักบุญนาจนโชคลาบันดีที่สุดคนที่จะยินดีพอใจในธรรมมนุษย์ของเรา คือบีชินทำรรเป็นเส้น อ, อยู่อย่าให้มันเร็วซ้ำลงไปมันต่ําช้าเร็วซ้ำลงไปแล้วมันยากจะได้มาเกิดเป็นมนุษย์ดูสัตว์ทิ่เป็นงายมันได้ทําบุญที่ไหนเมื่อแล้วไม่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์สักทีมันแสน ย, ยากกว่ายากมนุษย์ของเราเนี่ยังมีโอกาสได้ทำส่นดี ทำดีทำดีมันก็ค่อยอเจริญขึ้นไปทำช่วงก็ต่ำชา 4, เร็วช้าลงไปเนี่ยนั่นจึงว่าคนเราควรที่จะยินดีพอใจในธรรมก็เป็นมนุษย์นี่อธิบายถึงเรื่องยถึง เ, เรื่องคนเราเป็นของดีแล้วได้ชื่อว่าเป็นได้ของได้สมบัติประเปิดเ อย่างยิ่งสามารถที่จะสร้างมนุษย์ให้เป็นเทบุตรเทว ด, ดาอินทรุณก็ได้สามารถที่จะสร้างเป็นสัตว์ประสาทในเปนรตตัุกขายได้มนุษย์ตัวเดียวตัวนี้แหละเป็นที่ก็ให้เกิดในภพนั้นให้เกิดในสิ่งคตินั้นๆถ้าไม่ได้เป็นมนุษย์แล้วก็ไม่มี โอกาสที่จะได้ทําโอกาสที่จะได้ทําให้เกิดหรือให้เป็นจริงทั้งหลายเหล่านั้นไม่มีโอกาสเลยมนุษย์เท่านั้นเป็นของประเสริฐมนุษย์เท่านั้นเป็นของทําได้เอาละทเทศน์น